สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะวันนี้รายการสนทนาปัญหาธรรมะดิฉันวรรณการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินรายการนมัสการพระคุณเจ้าคะ่ะขอเจริญพรพระอาจารย์คะในเรื่องของการเจริญภาวนานั้นก็อยากจะอารัธนาให้พระอาจารย์ให้ความกระจ่างเกี่ยวในเรื่องการเจริญภาวนานใน คำสอนในทางศาสนานั้นน่ยท่านจะต้องการให้พวกเราทั้งหลายนั้นอบรมในการที่อบรมนั้นเน่ยเป็นการทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือเป็นการเจริญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองที่จริงบุคคลที่จะเจริญสมถะภาวนานได้นั้นก็คือต้องทาจิตนั้นให้เป็นกุศล การทาจิตให้เป็นกุศลนั้นจิตนั้นก็จะต้องเข้าถึงสภาวะที่บอกว่าไม่มีโรคความไม่มีโรคของจิตนั้นหมายความว่าถ้าจิตมีโรคกก่าวคือกิเลสที่เข้ามากุ้มรุมทำให้จิตเกิดความกระสับกระส่ายเร่าร้อนแล้วเนี่ยลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าจิตที่มีโรคหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีความป่วยไข้ด้วยกิเลส คำว่าป่วยไข้ด้วยกิเลสนั้นก็เพราะว่าในบรรดาราคะความกำหนัดโทสะความกโกรธโมหะความไม่รู้ตามความเป็นจริงมิจฉาทิฏฐิกล่าวคือความเห็นผิดสภาวะอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าจิตที่มีโรคฉะนั้นเมื่อจิตมีโรคแล้วก็ทําให้จิตนั้นเกิดความกระสับกระส่ายเร่าร้อนเดบรรดากลุ่มของอรูปธรรมทั้งหลายเนี่ย ก็หมายความว่ากลุ่มของเวทนากลุ่มของสัญญากลุ่มของสังขารเนี่ยนะล้วนแต่ว่าเกิดขึ้นร่วมกันกับโรคเพราะเกิดขึ้นร่วมกันกับกิเลสฉะนั้นสภาวะของกิเลสนั่นเองเป็นเหตุทําให้จิตนั้นเข้าถึงความเร่าร้อนเมื่อจิตนั้นเข้าถึงความเร่าร้อนแล้วเขาเรียกว่าจิตนั้นมีโทษจิตมีโทษจิตมีโรคนั้นเป็นจิตที่ไม่ควรต่อการงาน ไม่ควรต่อการงานในการที่จะเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเป็นต้นดังที่กำลังจะสนทนากันนี่ความไม่มีโรคความไม่มีโทษของจิตกาวคือจิตที่เว้นจากกิเลสมีราคะความกำหนักเป็นต้นโทษที่ประทุสร้ายจิตก็คือกิเลสโทษที่ทำให้กระวนก歪ก็คือกิเลสฉะนั้นปัญญาเนี่ยท่านจึงเรียกว่าโกสัลระ ความเป็นผู้ฉลาดทำรรที่ชื่อว่ากุศลท่านจึงเรียกอีกคําหนึ่งว่าฉลาดที่เรียกว่าฉลาดนั้นก็เพราะว่ากุศลนั้นเป็นญาณสัมปยุตคําว่าญาณสัมปยุตก็หมายความว่าเป็นกุศลที่เกิดพร้อมด้วยปัญญาทีนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้นั้นปัญญานั้นก็ต้องมีเหตุปัจจัยในการที่จะเกิดขึ้น ถ้าจะดูจากบุญเก่าบุคคลที่จะสั่งสมอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นได้ง่ายเขาเรียกว่าปุเพกะตะปุญญาตางหรืออีกอย่างหนึ่งที่ท่านเรียกว่าการถึงพร้อมการถึงพร้อมเพียงพร้อมการพร้อมเหตุปัจจัยอะไรต่างๆเหล่านี้นะทีนี้ บุคคลที่สั่งสมบุญกุศลมาดีทั้งหลายเนี่ยเมื่อสั่งสมบุญกุศลมาดีทั้งหลายในปางก่อนแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาอยู่ในประเทศที่สมควรการอยู่ในประเทศที่สมควรที่ท่านเรียกว่าปฏิรูประเทสวาสะหรือสวาโสนก็แปลว่าประเทศที่มีสัตบุรุษประเทศที่มีบัณดิตทั้งหลายอาศัยอยู่ เมื่ออยู่ในประเทศที่สมควรแล้วเนี่ยประการต่อมาก็คือสัพุริสูปนิสยะคือการครบจัดบุรุษกล่าวคือการครบพระพุทธเจ้าเป็นตน้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยการที่จะเจริญสมถะภาวนาได้นั้นเหตุปัจจัยในอดีตต้องดีและก็เหตุปัจจัยในปัจจุบันก็คือดีดังที่ได้กล่าวประการต่อมาก็คือที่ท่านตรัสเอาไว้คืออัตตสัมมาปณิธการตั้งตนไว้ชอบ การตั้งโจนตั้งตนในที่นั้นหมายความว่าการตั้งจิตท่านจึงกล่าวเข้าไว้บอกว่าจิตที่ตั้งไว้ถูกกับจิตที่ตั้งไว้ผิดนั้นมีผลกันไปคนละทางเ น, นถ้าจิตที่ตั้งไว้ผิดแล้วมีโทษมหันแต่ถ้าจิตที่ตั้งไว้ถูกแล้วมีคุณนั้นมีคุณก็คือว่าจิตถ้าตั้งไว้ถูกแล้วประโยชน์สามอย่างมีโอกาสได้และไม่ขัดกัน ถ้าตั้งจิตด้วยถูกเช่นว่าตั้งจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะเช่นในขณะที่จะเจริญกุศลอย่างที่คุณโยมถามในเรื่องการเจริญสมถะภาวนาเป็นต้นเนี่ยการทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนจากการตั้งจิตผิดนั้นเพื่อมาตั้งจิตให้ถูก วัตถุประสงค์ในการที่จะตั้งจิตให้ถูกนั้นก็เพราะว่าการตั้งจิตถูกนั้นเพื่อเป็นปัจจัยแก่การทำกุศลให้เจริญไพบูรยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองการตั้งจิตไว้ผิดนั้นเหมือนโจรต่อโจรเจอกันเหมือนคนชั่วต่อคนชั่วเจอกันเนี่ยก็ห้ามหันกันทำลายกั น, นทำให้เกิดความวิบัติฉันใด ในการเจริญกุศลในการตั้งตนตั้งจิตไว้ชอบก็อย่างนั้นเหมือนก็ตรงกันข้ามก็จะนำความพอกคูณไพยบู์ให้เกิดขึ้นกล่าวคือศีลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นสมาธิที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและปัญญาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นถ้าลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าการตั้งจิตไว้ตรงประการต่อมาดังที่ได้กล่าวก็คือว่า เพราะการตั้งจิตตรงการครบจัตตบรุษการอยู่ในประเทศอันสมควรการมีโยนิสโสมนสัสการเป็นต้นนั่นเองเหตุปัจจัยเหล่านี้นี่แหละที่จะเป็นปัจจัยให้กุศลเกิดขึ้น mm hmm. เมื่อกุศลเกิดขึ้นแล้วกุศลนั้น mm hmm. เขาถึงบอกว่า mm hmm. เป็นปัจจัย mm hmm. เป็นเหตุ เมื่อกุศลเป็นปัจจัยเป็นเหตุแล้วเนี่ยกุศลนั้นแล้วก็ยังความเจริญความรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นในการที่ทํากุศลทําภาวนากุศลให้เจริญไปบูุญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่คําว่าสมถะหรือการเจริญสมถะนั้นเน่ยในเบื้องต้นนั้นเน่ยท่านจึงกล่าวว่ากุศลนั้นเป็นธรรมที่ชื่อกุศลหรือธรรมสมถะให้เกิดขึ้นนั้นต้อง เป็นธรรมที่ไม่มีโทษนะแล้วก็จะต้องมีสุขวิบากอันไม่มีโทษจะเป็นลักษณะในขณะที่จเจริญสมถะนั้นก็จะต้องมีการกำจัดบาปธรรม ท, ทั้งหลายนะให้ผ่องแผ้วสามารถชาระศาสางจิตนั้นให้เข้าถึงความผ่องแผ้วเนะี่ยเหตุที่จะชาระสาสางให้จิตเข้าถึงความผ่องแผ้วได้นะั้นะก็จะต้องมีอะไร เขาเรียกว่าโยนิโสมนสิกานเลนะการพิจารณาการไข้ครวนนี่ถูกทีนี้ต้องไปพิจารณาอีกอย่างก็คือว่าเหตุปัจจัยที่จะทำให้กุศลครั้งที่แล้วเราพูดในเรื่องของคำว่าภาวนาใหม่หรือภาวนากุศลชาวนาจิตเกิดแต่ภาวนา นะครับว่าชาวนาจิตที่เกิดแต่ภาวนานั้นเป็นอย่างไรชาวนาจิตที่เกิดแต่ภาวนานั้นในส่วนของภาวนากุศลนั้นมีการเจริญธรรมมีพุท ธ, ธานุสติธรรมมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคาเทวตาอุปสมานเนี่ยเป็นต้นเนี่ยคือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคุณของพระธรรมคุณของพาริยสง์ คุณของศีลที่ตนเองรักษาเนี่ยไออย่างยกตัวอย่างเช่นว่าศีลที่เรารักษาไม่ด่างไม่พร้อยไม่ขาดไม่ทะลุเนี่ยที่เรารักษามาดีแล้วเนี่ยถ้าเราตามและลึกศีลของตนเองเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณโยมว่าปีติจะเกิดไหมค่ะ <c oughs> ปีติก็เกิดปีติเกิดปราโมทเกิดปัดสัติเกิดญาณทัศนะเป็นต้นก็เกิดขึ้นในขณะที่ ระลึกถึงศีลของตนเองใช่ไหมถ้าเรายิ่งระลึกถึงคนชั่วคนไม่ดีทั้งหลายก็ตรึกถึงศีลของตนเองเพราะเอ๊ะเราทําศีลให้บกพร่องไว้หรือไม่พระเถระในสมัยอดีตเนี่ยท่านเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่เว่าแหวงเนี่ยท่านยังน้อมเข้ามาหาตนเองว่าเอ๊ะแล้วศีลของตนเองเแหวงเหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มั้ยหรือเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เต็มดวงเนี่ย ท่านยังสามารถมาตรึกถึงศีลของตอนเองแล้วศีลของเราบริบูรณ์หรสมบูรณ์เหมือนดวงจันทร์ที่วันเพ็ญหรือไม่เพราะท่านคิดอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยท่านไม่บกพร่องในศีลของท่านเลยท่านละลึกถึงศีลอย่างปีติปราโมทย์ได้เกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าศีลานุสติเห็นไหมการที่บุคคลไม่ประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาน้อมเอาสุดจริตทางกายทางวาจาของตนเองที่เป็นส่วนของศีลนั้ น, น่ะ มาเจริญมาพอกพูนให้เกิดขึ้นก็ยังชื่อว่าทำสมาธิภาวนาให้ดำเนินไปได้นี่เขาเรียกว่าอุบายวิธีสิ่งที่จะต้องหลีกเล้นก็คือว่าการหลีกเล้นบุคคลที่เศร้าหมองใช่ไหมถามว่าในบรรดากลุ่มบัณฑิตกลุ่มคนดีทั้งหลายเนี่ยถ้าเห็นคนเศร้าหมองเนี่ยเศร้าหมองด้วยอะไร เศร้ามองด้วยบาปประธรรมทั้งหลายมีราคะโทสะและโมหะเป็นต้นเนี่ยถ้าเราไม่หลีกหนีคนชั่วเนี่ยจิตใจเราจะสบายไหมเขาโยมว่าจิตใจเราจะสบายไหมล่ะไม่สบายค่ะในขณะที่เราครบค้าสมาคมกับคนทุศีลเป็นต้นเนี่ยจิตใจของเรานั้นก็เต็มไปด้วยความกัดกรุ้มความเศร้าหมองนาะนะประการใช่ไหมท่านจึงบอกเขาไว้ไงว่า ปรารถนาจะทําให้กุศลกล่าวเฉพาะในภาวนากุศลในส่วนของทั้งสมาถะภาวนาและวิปัสนาภาวนานท่านจึงบอกเขาไว้ว่าให้ครบอะไรบัณฑิตให้คบบัณฑิตหลีกเว้นจากคนพาลคนไม่ดีทั้งหลายกล่าวคือคนที่เศร้าหมองแล้วก็คบหาสมาคมกับคนที่ดีคนที่น่ารักเป็นต้นแล้วก็พิจารณาสูตรพระสูตรที่เป็นเหตุแห่งความเลื่อมใสทั้งหลาย ยกตัวอย่างเช่นว่าในปิติสัมโพธชงเนี่ยปันหรือว่าอัสธิสัมโพธชงเป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเน่ในการที่จะเจริญภาวนากุศลนั้นเน่การที่จะทำกุศลให้เกิดขึ้นเนี่ยท่านถึงบอกว่าหนึ่งการสอบถามในเบื้องต้นสำคัญ การสอบถามว่าเอ๊ะถ้าเราจะเจริญสมถภาวนาในส่วนของพุทธานุสติการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นอย่างไรหรือการเจริญธรรมานุสติการระลึกถึงคุณของพัฒนธรรมเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นอย่างไรหรือการที่จะเจริญสังขานุสติคือการระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์ควรจะเริ่มต้นอย่างไร ฉะนั้นเขาท่านจึงบอกว่าปริปุชกะตาเนี่ยที่ท่านบอกว่าเว้นจากการสอบถามบัณฑิตเนี่ยไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นอุบายวิธีในการที่จะเจริญกุศลนั้นเราก็ทำไม่ได้บางทีเราใช้สูตรในการคิดกันเองเนี่ยตรึกยังไงทำยังไงเราคิดไปตามความรู้สึกที่เขาเรียกว่าในปัจจุบันเขาจะเรียกกันว่าสามัญสำนึกใช่ไ คิดยังไงมีข้อมูลอย่างไรเนี่ยถามคยมนยอมหน่อยว่าข้อมูลในการศึกษาทางโลกเอามาเจริญภาวนากุศลดงังไม่ได้ค่ะมันได้ก็แค่พื้นฐานใช่ไหมยค่แค่พื้นฐานเท่านั้นแหละแค่ว่าการเป็นคนดีการไม่คบคนชั่วหรือการหลีกเล็ดอะไรต่างมันก็พอมีลักษณะอย่างเนี้ยแต่มันไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้ ภาวนากุศลกาวกุศินสมาธิปัญญาให้ดำเนินไปนี่เป็นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการทำวัตถุภายในและภายนอกให้สะอาดถ้าจะเตรียมตัวในการที่จะทำกุศลให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะภาวนากุศลเนี่ยวัตถุภายในเนี่ยโดยเฉพาะคือจะต้องมีศีลดีมค่ะสุจริตสามต้องดีใช่ไหมค่ะ แล้วโดยเฉพาะเสื้อผ้าอาภรณ์ต้องสะอาดไหมค่ะร่างกายโดยเฉพาะเนี่ยผมเล็บฟันอะไรต่างๆที่ต้องตรวจดูให้เรียบร้อยเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวก็กลายเป็นปริพภทเป็นความกังวลในขณะที่จะเจริญกรรมฐานเดี๋ยวเอาหน้าไม่ได้ล้างฟันไม่ได้แปรงเป็นต้นเนี่ยนะมันจะมีเรื่องหงุดหงิดไปทั่วเล็บไม่ได้ตัด น้ำอน้ำไม่ได้อาบเนี่ยมันมันมีเรื่องมากมายเนี่ยท่านจึงบอกว่าต้องให้สะอาดนะทีนี้สถานที่รกรุงรังเนี่ยก็ยมว่าจะเจริญสมถะภาวนาได้ไหมไม่ได้ค่ะนั้นการเจริญภาวนากุศลนนะี่ยแค่เข้าบ้านบ้านรกเนี่ยก็จิตไม่เป็นบุญแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านจึงบอกว่าชำระหรือทําความสะอาดวัตถุให้สะอาดสลวยพอสมควรเนะีย ประการต่อมาก็คือปรับอินรีย์ให้เสมอกันเรียกว่าอินรียคืออะไรร่างกายร่างกศรัทธาคืออินทรีไหมค่ะเขาเรียกสัตตินรีย์สติเ อ, อวิริยะเป็นอินทรีไหมเป็นค่ะวิริยินรีย์คือความเพียรค่ะสติเป็นอินรีไหมเป็นค่ะเขาเรียกสตินรีย์คือสติความระลึกได้ สมาธิเป็นอินทรีย์ไหมเขาเรียกสมาธินทรีย์ปัญญานี่เป็นอินทรีย์ไหมเป็นค่ะอย่างนี้เขาเรียกปัญญินทรีย์โดยสรุปก็คือทำอะไรศีล ส, สมาธิปัญป ญ, ญาสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สัตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์เนี่ยต้องปรับอินทรีย์ให้มีความสมดุลอสมดุลยังไงศรัทธาเนี่ย เคยเห็นคนที่มีศรัทธามากไหมศรัทธาพุ่งสูงเกินเกินไปเนี่ยแต่ปัญญาเตี้ยติดดินเลยท่านอุปมาเหมือนเอาช้างกับวัวมาเทียมแอกกันเนี่ยสามารถที่จะลากเวียนไปได้ไหยได้ไม่ได้ได้ค่ะช้างกับวัวนี่เนี่ยอยู่คนละทาง เ, ออนเนี่ยอ๋อถ้าไม่ได้ค่ะก็<จ>ะะไม่ได้ไ ม, ไม่ได้<ก>ใช่ไหม ช้างกับวัวท่านอุปมาเหมือนว่าคนบางคนมีปัญญาซะมากแต่ศรัทธาน้อยหรือมีศรัทธาซะมากปัญญาน้อยนต่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่สมดุลกันความไม่สมดุลกันแล้วก็ไม่สามารถนําเวียนนําสัพทัพยสัมภาระในในในในล้อในเวียนนั้นไปได้ฉันใด ถ้าศรัท ธ, ธากับปัญญาให้สังเกตุถ้าเราหมดศรัท ธ, ธาต่อเรื่องใดเนี่ยแต่ปัญญาเราสูงจนเกินไปเนี่ยมีแต่ความหวาดระแวงคิดมากเกินไปเนี่ยละเอียดเย็บจนเกินไปที่สุดจริงๆเนี่ยก็ไม่เป็นคือที่สุดจริงๆไม่เจริญบุญจนได้ไม่เจริญภาวนากุศลไปได้ให้ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อระแวงตั้งข้อระวงังคือปัญญามันเกินไงอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าโรคที่ดื้อยาโรคที่เกิดจากยาดื้อยาเพราะกินยานี้วิธีแก้ควรทำยังไงควรจะทำยังไงมันก็ต้องให้หยุดให้หยุดยาตัวนั้นเสียถ้ายาตัวนั้นถ้าขืนกินไปเนี่ยเราเสียหายแต่ถ้าเราบอกเราจะไม่หยุดจะไม่หยุดวิธีคิดอย่างนี้คุณโยมว่าจะเป็นไปได้ไหมมันก็ต้องบอกว่าไม่ได้ใช่ไหม เมื่อไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าต้องปรับมาทีนี้ถ้าศรัทธามันสูงจนเกินไปปัญญาไม่มีเลยเหลือศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่สําเร็จประโยชน์ก็ไม่สําเร็จประโยชน์คือมันเชื่อซะทุกเรื่องเชื่อจนไม่มีปัญญาไปวิจัยไปพิจารณาเลยเขาเรียกว่าขาดจุดสมดุล เนี่ยถ้าอินทรีย์ไม่มีความสมดุลเนี่ยต่อให้ตั้งใจในการจะเจริญภาวนาอย่างไรจะสำเร็จได้ไหมดับแรกไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นชีวิตประจำวันอย่าว่าจะเจริญระดับภาวนากุศลเลยแม้จะทำกุศลให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็กระทอนกระแท่นเลยคุณโยมลองสังเกตที่ว่าอยู่ทางสังคมในปัจจุบัน บางคนเนี่ยเก่งมากในการที่จะวิจัยในการที่จะไตร่สวนสอบถามใช่ไหมแต่สอบถามไปแค่นั้นแหละไม่เคยคิดที่จะไปเอาเจริญไปดําเนินไปไปทําให้เกิดขึ้นเหมือนปรารถนาจะฟังใช่ไหมใช่แต่ไว้แค่ฟังถามเพราะอะไรก็ออกต้องการจะ ร, รู้ไปอย่างนั้นแหละเขารู้อะไรก็จะได้รู้คือ รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามไอที่สำนวนนี่ดี๋ยาใช้กันเนี่ยก็คือรู้เขาไว้มากๆไม่เป็นไรหรอกแต่เชื่อไม่เชื่อเอาไว้อีกทอีอย่างนี้ถ้าในคำสอนทางศาสนาแล้วประโยชน์มันไม่ได้มันไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเหมือนอยังไงมันเหมือนว่าเราไปตักเอาไปเอาน้ำพึ่งเอาน้ำอามฤตมาเนี่ยน้าที่นี้ ไปสามารถถ้ากินเข้าไปแล้วมันรักษาโรคได้แต่เรามาตักตักดูโอ้มีเหมือนกันนะมีจริงๆไปดูมาแล้วมีน้ำในตุ่มในโองคเนี่ยแต่เขาถามว่าได้กินไหมได้บริโภคไม่ได้ดื่มไหมบอกไม่เลยถามทำไมก็ยังไม่ศรัทธาที่จะตักขึ้นมาเพื่อจะดื่มเนี่ยประโยชน์ไม่ได้ก็ตรงนี้เขาต้องบอกว่าศรัทธากับปัญญาเนี่ยถ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง าการสมดุลกันถ้าปรับไม่ได้แล้วเนี่ยทั้งชาติก็เสียหายไม่ว่าใครใช่ไหมคุณยอมก็สังเกตดูอย่างคนบางคนบาง ท, ทีอาจจะใกล้ตัวเราได้ซ้ำเขาเป็นคนมีปัญญาเนไม่ใช่แบบนี้สามารถฟังอะไรเข้าใจศึกษาอะไรเข้าใจได้ง่ายถามได้ทุกเรื่องแต่เขาไม่ศรัทธาที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมากมายจริงๆคนที่มีปัญญาประเภทเนี้เกลื่อนกลลไปหมดเลยในบ้านในเมืองเนี่ยแต่ว่า เป็นเพราะอะไรเพราะเขาไม่ศรัทธาทําไมเขาไม่ศรัทธาเขาไม่น้อมจิตลงเขาไม่ตั้งจิตเพื่อจะรับรู้ทําไมเขาจึงไม่ตั้งจิตเพื่อจะรับรู้ล่ะเขาไม่ได้ตั้งโสดศึกษาอะไรเลยโอย้ไ่เนี่นแล้วเขาก็หลีบเลี่ยงคําสอนใช่ไหมหลีบเลี่ยงคําสอนไม่ปฏิบัติตามเนี่ยบุคคลเหล่านี้ถามว่าถ้าเป็นญาติของเราเนี่ย าญายาของเราเนี่ยถ้าเป็นคนที่มีศรัทธาอย่างเดียวแต่ขาดปัญญาเราจะกรุณาเขาหรือเราจะทุกข์ใจกับเขาก็ต้องกรุณาเขาค่ะโดยหลักการต้องกรุณาแต่โดยความเป็นจริงที่ผ่านมาโดยมากเราทุกข์ให้สังเกตดูไหมถ้าเราเห็นใครอู้ไปศรัทธาเป็นงมงายอะไรสักเรื่องหนึ่งเช่นไปเชื่อในเรื่องที่ไม่ควรเชื่อเนี่ยเนี่ยบอกอ๊ยเราก็เราทุกข์กับเขาเลยเนะี่ย แต่ถ้าถามอีกถ้าไปมีญาติคนหนึ่งนะไม่เชื่ออะไรจะพึ่แล้วมีต่บอกแม้ต้องอเหตุผลอะไรต่างๆก็เหตุผลแต่ว่าเหตุผลแล้วก็วางไว้แค่นั้นแลไม่ได้ปฏิบัติอะไรเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็ต้องวางกรุณาอย่างที่โยมว่าทีนี้ปัญหาก็คือว่าประการต่อมาสมาธิกับความเพียรท่านบอกต้องให้สมดุลกันความเพียรเนี่ย กับสมาธิความเพียรความพยายามความอุตสาหะความบากบันเนี่ยนะหรือความตารบความเพียรในการที่จะเจริญกุศลเนี่ยนะในการที่จะทํากุศลให้เกิดขึ้นโดยสรุปคืออะไรเพียรละบาปใช่ไหมเพียรไม่ให้บาปเกิดยอมรู้ไหมเพียรละบาปทํำยังไงเพียรละบาปเนี่ยทํำยังไงคุณยอมรู้ก็คือไม่ทําบา ในอดีตที่ผ่านมาเคยบาปมาเยอะไหมเยอะคเคยคิดไม่ดีก็มาเยอะใช่ไหมอย่างนั้นเขาเรียกาบาปเก่าเคยบ้างไหมบาปเก่าๆที่สุดมันก็ย้อนเข้ามาสู่กระแสชนานะความรู้สึกของเราเหมือนเดิมนี่ยเคยค่ะถ้าลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้เพียรกันบาปเก่าไม่ได้เพียรละบาปเก่าบาปเก่ายังมีโอกาสที่จะย้อนกลับมาเกิดที่เราได้อยู่คุณโมกราบ ยืนยันได้ไหมว่าต่อไปจะไม่ให้บาปที่เคยเกิดย้อนกลับมาเกิดอีกแล้วไม่ได้ค่ะเพราะคือเราไม่แน่ใจว่าในบางครั้งเนี่ยเราจะมานัติการได้แค่ไหนเพราะว่าในยามที่มีสติมีปัญญาเนี่ยก็สามารถจะกันได้แต่ในบางครั้งเนี่ยมันกําหนดรู้ไม่เท่าทันนะคะเพราะอะไรถึงกําหนดรู้ไม่เท่าทันมันมันคงมาเร็วเกินไปมันงคะตั้งใจหรือเปล่า รางนในชีวิตประจำวันคอยเฝ้าระวังบาปมั้งหรือยังหรือระวังระวังอะไรในชีวิตประจำวันคือตรงนี้คืออย่างนี้นะจริงๆแล้วนะคาว่าวิบากเนี่ยคือผลใช่ไหมผลที่เกิดจากเหตุถามว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัส ถ, ถูกต้องและสิ่งที่เราได้กระทบกระทั่งในชีวิตประจำวันทั้งหลายล้วนเป็นวิบากที่เกิดจากเหตุในอดีตทีนี้ทุกคนมีวิบาก ทุกคนแต่ว่าวิบากนั้นจะเป็นวิบากที่เกิดจากบุญหรือวิบากที่เกิดจากบาป อ, อย่างนั้นก็แล้วแต่และบุคคลไม่เท่ากันแล้วทีนี้ในขณะที่เรารับวิบากกล่าวคือรับผลแล้วเนี่ยแล้ววิธีปฏิบัติกล่าวคือคิดต่อวิบากนั้นน่ยก็ต้องอยู่ที่ว่าเราศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาดีแค่ไหนอย่างไรถ้าเราศึกษาคําสอนของพุทธเจ้ามาดี การที่ตรึกพิจารณาต่อวิบากที่ได้รับก็ชัดเจนแล้วก็สามารถกันบาปได้เช่นว่าถ้าเคยทำบาปทําไม่ดีไว้ในอดีตผลที่ไม่ดีที่เราได้รับแต่ถ้าเราคิดถูกในขณะปัจจุบันไอ้สิ่งไม่ดีกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีทําให้เรามีโอกาสในการที่เจริญกุศลยย่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เขาเรียกว่าดี แต่ถึงแม้ว่ากุศลที่ทำไว้ในอดีตเราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสที่ดีแต่ในขณะนั้นเราคิดผิดทั้งๆ ท, ที่เป็นวิบากดีผลดีเราก็ผิดอีกเพราะเรามาทำผิดในปัจจุบันโดยการตรึกในเรื่องนั้นผิดพลาดเห็นไหมว่าการได้รับวิบากนั้นดีหรือไม่ดีไม่ใช่ประเด็นสาคัญประเด็นสาคัญอยู่ตรงที่ว่า เราจะมีโยนิสโมสมนัสการในการตรึกในเรื่องนั้นได้อย่างไรใช่ไหมปัญหาก็ต้องตามไปดูว่าแล้วโยนิสโสมนสิการจะเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรได้วยการฟังธรรมอาธรทำยังไงเราจึงจะได้ฟังธรรมครบสัจบุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเอ๊ะทำยังไงเราจึงจะคบสัจบุรุษต้องอยู่ในประเทศที่สมควรเอ๊ะทำยังไงถึงจะอยู่ในประเทศที่สมควร สร้างเหตุปัจจัยเขาเรียกสร้างบุญมาดีในอดีตฉะนั้นเหตุปัจจัยตรงนี้ต่างหาถึงบอกว่าอย่าอย่าไปข้ามครวนอย่าไปอ้อนวอนให้เกิดวิบากอย่างนั้นอย่างนี้แต่จงรู้จักที่จะปฏิบัติหรือคิดต่อวิบากที่ได้รับอย่างไรเพราะวิบากจะดีหรือไม่ดีนั้นนะ่ะถ้าคนเพลิดเพลินก็กลายเป็นผลเสียทั้งนั้นนะเช่นคนที่ได้รับกุศลส่งผลเนี่ยได้รับวิบากที่ดีส่งผล ถ้าเขาประมาทมัวเมาเพลิดเพลินเขาก็เสียหายแต่ถ้าเขาได้รับวิบากหรือผลที่ไม่ดีในชีวิตประจำวันก็เป็นคุณกับเขาเยอะแยะนางปต a j จลาเนี่ยได้รับวิบากไม่ดีมากมายจริงๆมากมายถึงขนาดว่าสามีตายลูกสองคนตายพ่อแม่พี่ชายตายทรัพย์สมบัติบ้านเรือนพังหมดญาติตายโลหิตตายหมด แต่นางได้อะไรหนึ่งสร้างบุญในอดีตมาดีได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วตรึกถึงคำสอนบอกว่าญาติก็ต้านทานไม่ได้นะมรณภัยเนี่ยญาติมิตรพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้านทานมรณภัยไม่ได้เลยนางตรึกลงในมรณภัยแบบนี้แบดบเสร็จแล้วไม่มีที่พึ่ง ตรกลงในสิกขาสามอธิศีนัทิจิต อ, อธิปัญญาเนี่ยพิจารณาที่สุดจริงๆทำโสดาปิมากให้เกิดขึ้นอยู่ต่อมาขอบวชในพระศาสนาใช่ไมเมื่อบวชในพระศาสนาประพฤติ ธ, ธรรมต่อมาเนี่ยไปเทน้ำเนี่ยเทน้าลงแผ่นดินครั้งแรกน้ำไหลไปแล้วก็ซึมลงดินนางเห็นความเปลี่ยนแปลงทันทีเนีย เทครั้งที่สองไหลลงไปยาวไปหน่อยก็ไหลลงดินเทครั้งที่สามก็ไหลลงหน่อยก็ซึมลงดินเนี่ยนางพิจารณาให้เห็นความจริงของสังขารได้เออเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเนี่ยพระบรมศาสดาปรากฏเฉพาะหนะ้าแล้วก็สอนให้ตรึกพิจารณาถึงอนิจจลักษณะทุกขลักษณะและ อ น, น, นัตตลขณะนีวิปัสนาญาณเกิดขึ้นกันนางและในที่สุดจริงๆได้เป็นพระโสดาบันเออได้เป็นสกาา่ได้เป็นพระสกาทาคามีเทครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองได้เป็นพระอนาคาครั้งที่สามได้บรรลุเป็นพระอาารหันต์แตกฉานในปฏิสัมพิทายานแล้วเนี่ยนางมาจากอะไรมาจากวิบากที่เสียหายสุดๆ เราหรือมพิจารณาหรือคนที่เคยเสียหายทั้งหลายเนี่ยยังยังหาน้อยนะที่จะเจอทุกย่างนางเนี่ยฉะนั้นความทุกข์น่ยมันเกิดขึ้นนะดีถ้าเรามียนนิโสมรัิการแต่จะยิ่งเร็วแลสเสียหายถ้าเรามีอายยนิโสมรัติการถ้าเราคิดผิดเราเสียหายใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้อะไรจะเป็นตัวชี้วัดว่า สิ่งนั้นบุคคลนั้นคิดผิดคิดถูกคะคืออย่างนี้นะคราว่าคิดถูกอุบายถูกทางและถูกวิธีปัญหาคือการคิดที่จะเป็นโยนิโสมรสสการนั้นนะถามว่าคิดเข้าหาทา น, นากุศลศีลกุศลและภาวนากุศลนะหรือคิดออกออกนอกเรื่องนี้ถ้าคิดไปแล้วเนี่ยความตันี์เพิ่มพูนมากขึ้น ถ้าคิดไปแล้วนี่ศรัทธาในคำสอนของผู้ได้ย่าไม่มีเลยหรือถ้าคิดไปแล้วนี่สมาธิที่เคยมีก็เสื่อมหรือถ้าคิดไปแล้วนี่สติปัญญาที่เคยเกิดไม่เกิดเลยเนี่ยคิดไปเพื่อประกอบกรรมชั่วทั้งหลายลักษณะอย่างนั้นพึงรู้เถอะว่าเป็นอโยนิโสมรสิการคือคิดผิดแล้วคือมันผิดทางเยคิดไปเพื่อคิดผิดคิดผิดอย่างนั้นเขาเรียกว่ามิจฉาทิฐิ เห็ผิดหมดเลยพอคิดผิดและดัมบิผิดอย่างนี้เปนต้นนีก็ดัมบิเข้าไปหากามาคุณดัมบิไปในเรื่องการพยาบาทเนี่ยทำให้การคิดไปเพื่อพยาบาทนี่ผิดหรือผิดไหมผิดนีอย่างนี้เขาเรียกอะโยนิโสมนัสการยิ่งคิดยิ่งเครียดแค้นยิ่งชิงชังยิ่งโกรธยิ่งพยาบาทอย่างเนี้คิดผิดแน่นอนหรือบางทีเนี่ยคิดอีกอย่างคิดไปแล้วยิ่ง ติดใจติดข้องในการมาคุณนะหรือติดไปเพื่อเบียดเบียนคนอะ่ยทไงจะเบียดเบียนเขาได้ถ้าลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดผิดฉะนั้นการคิดผิดนั่นแหละเขาเรียกว่าอโยนิโสมนสิการทีนี้ถ้าหากว่าคิดถูกการคิดถูกนั้นเน่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่คิดตรงตามคาสอนเขาถึงบอกว่า ภูริปัญญาย่อมเกิดขึ้นด้วยการประกอบความเสื่อมสิ้นไปแห่งภูริปัญญาย่อมเกิดขึ้นด้วยการไม่ประกอบประกอบในที่นั้นน่ยหมายความว่าการปรับอินทรีย์การทำอินทรีย์ให้เกิดขึ้นประกอบอินทรีย์ให้สมดุลดังที่ได้กล่าวถ้าเราไม่ประกอบอินทรีย์ให้สมดุลแล้วเนี่ยปัญญาไม่เกิดนะเมื่อปัญญาไม่เกิดเอ้ยศรัทธาไม่เกิดเอ้ยความเพียรที่ถูกต้องไม่เกิดสมาธิที่เกิด ต้องไม่เกิดสติไม่บริบูรณ์แล้วเราก็เสียหายในการที่จะเจริญภาวนาะฉะนั้นการพิจารณาในญาณันลึกซึ้งนี่นะการน้อมจิตไปในธรรมวิทยาสัมโพชฌงเป็นต้นเนะ น, นการพิจารณาต่างๆเหล่านี้นี่เองที่ท่านเรียกว่าเป็นภาวนากุศลการที่จะทำให้จิตนั้นเป็นญาณนนะ่ะสัมปยุตได้นั้นนะ่ะบุคคลนั้นก็จะต้องมีอุบายวิธีในการที่จะทาให้เกิดขึ้น ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะเวลาสำหรับรายการสนทนาปัญหาธรรมะสำหรับเช้าวันอาทิตย์นี้หมดลงแล้วละคะพระอาจารย์ประหลัดสมทบปรกรโมวัดกลางบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีดิฉันวรรณการเป็นผู้ดำเนินรายการขอให้พี่น้องผู้ใฝ่ในธรรมจงมีความสุขในธรรมทุกทั่วหน้าเทินขออนุโมทนาคะ่ะ ญาติธรรมที่เคารพค่ะนี่คือาการสนทนาปัญหาธรรมะดิฉันไดอรัตนาพระคุณเจ้าพระอาจารย์ปลัดสมทบ พ, พระกะโมจากวัดกลางบางประมาเจ้าจังหวัดสุพรรณบุรีให้มาสนทนาธรรมในเรื่องของการเจริญภาวนาโดยเฉพาะวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องของภาวนานกุศลนมรสการพระอาจารย์ค่ะขอเจริญพร พระอาจารย์คะเมื่อกล่าวที่แล้วพระอาจารย์ได้กรุณาพูดถึงการเจริญภาวนาในภาพรวมนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างการที่จะรู้จักกับคําว่ากรรมฐานนั้นคืออะไรการปฏิบัติคืออะไรนะคะวิปัสนาคืออะไรนะคะทีนี้อยากจะอารัธนาพระอาจารย์ได้กรุณา บรรยายถึงในเรื่องของภาวนากุศลว่าเป็นอย่างไรคะในคำว่าภาวนาเนี่ยเขาแปลว่าธรรมที่ควรเจริญคือให้เกิดขึ้นบ่อยๆในสันดานของตนชื่อว่าภาวนาเนี่ยทีนี้ภาวนาจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะั้นต้องดูว่าดูตรงไหน ก็าบอกว่าพึงทําให้เกิดขึ้นในเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งหลังๆเพราะลักษณะของภาวนานั้นก็จะต้องมีการทํากุศลให้เกิดขึ้นเป็นลักษณะทําให้เกิดขึ้นและยังไม่พอเนะี่ยต้องทําให้เจริญขึ้นด้วยพอพูดถึงในเรื่องของภาวนาแล้วเนี่ยทําให้จิตย้อนไปถึงความเพียรในการเจริญกุศลความเพียรในการเจริญกุศลก็คือว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ย กุศลที่เป็นไปในภูมิทั้งสี่เช่นกุศลที่เป็นไปในกามาวจรัภูมิรูปาวจรัภูมิอรูปาวจรัภูมิและโลกุตระภูมินี่เป็นภูมิชั้นของจิตเอ่อมาพิจารณาดูว่าถ้ากุศลในส่วนของกามาวจรัภูมิหรือกามาวจรัธรรม เช่นกุศลที่เป็นไปในส่วนของทานศีลและก็ภาวนานชาวบ้านจะคุ้นเคยหรือญาติโยมทั้งหลายจะคุ้นเคยคำคำนี้กันมากทีนี้จิตที่จะน้อมที่จะทำให้กุศลต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยท่านท่านจัดว่าเป็นภาวนาได้ถ้าหากว่าเป็นการทำให้เกิดขึ้นติดต่อสืบเนื่องเป็นทุกๆระยะหรือบ่อยที่สุดนี่ลักษณะอย่างนั้นเป็นภาวนาในบุญกิริยาวัตถุ ถ้าเราจะมามองอย่างนี้ก็ได้ว่าเช่นในการฟังคำสอนสนทนาทำตามการหรือในเรื่องของการแสดงธรรมหรือปรับความเห็นให้ถูกก็ไปเข้าในหลักที่บอกว่าการตั้งจิตให้ตรงเคยบอกว่าโจรเจอโจรศัตรูเจอศัตรูยังไม่ล้ายเท่ากับการตั้งจิตผิด โจรเจอโจรเขาฆ่ากันก็เฉพาะในปัจจุบันในพบหรืออาจจะอาจจะหนีกันก็ได้หลบกันก็ได้คู่เวรเจอคู่เวรก็คือสามารถจะมีวิธีการหลบเลี่ยงกันได้แต่ถ้าทั้งจิตไว้ผิดเนี่ยคนที่เสียหายกลายเป็นเราเช่นเราตั้งจิตที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงตั้งจิตไปด้วยความอิจฉาหรือเสเนี่ย ถ้าตั้งจิตไปในลนักษณะอย่างนี้เสียหายถ้าความโลภเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ตั้งจิตประเภทความโลภมากๆที่สุดจริงๆความโลภ ก, ก็เป็นปัจจัยให้ทําปณิบาทอธินนาทานกามเมสุมิชฉาจารย์เป็นต้นหรือบางทีตั้งจิตไปได้วยความโกรธไอ้ความโกรธที่ตั้งขึ้นนั่นแหละเดี๋ยวก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ประกอบอกุศลกรรมบทมีการฆ่าสัตว์เป็นต้น หรือตั้งจิตด้วยความหลงที่สุดจริงๆก็ทําบาปทําอกุศลไปก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นบาปเป็นอกุศลนี้เป็นผลของการตั้งจิตผิดพอตั้งจิตผิดเนี่ยอะไรที่เราจะได้อบายทุคติวินิบาตนรกเราจะได้ควโสกะปริเทวะทุกขโทมานัสสอุปายา ได้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความวิบัติพัดพลาคอันนี้เป็นผลจากการตั้งจิตผิดถึงบอกว่าตั้งจิตผิดเนี่ยเสียหายกว่าโจรเจอกันตั้งจิตผิดเนี่ยเสียหายกว่าศัตรูเจอศัตรูฉะนั้นการเจริญภาวนากุศลการทำภาวนากุศลให้เกิดขึ้นก็มีการทำกุศลให้เกิดขึ้นเป็นลักษณะก็แสดงว่าจะต้องตรวจสอบ วิธีคิดวิธีตรึกในชีวิตประจําวันให้ถูกเช่นความคิดในปัจจุบันเนี่ยคิดในเรื่องของเนคขมะวิตกหรือคิดในเรื่องของกามวิตกถ้าคิดในเรื่องของกามวิตกก็คิดในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมที่น่าชอบใจก็จะไปติดไปยึดในสิ่งเหล่านี้มากและที่สุดจริงๆก็ติดข้องที่เราทําบาปทํากรรมกันในที่สุดแล้วยอมไม่ได้หลายๆเรื่อง ก็เพราะนี้แหละเราคิดไปในเรื่องของกามาวิตกแต่ถ้าคิดออกและเป็นเนค karma ว, วิตกแนหะมันจะคิดไปเพื่อเพื่อเพื่อการเจริญกุศลลักษณะนี้พอคิดไปในลักษณะอย่างนี้แล้วเขาเรียกว่าเป็นการเจริญกุศลที่ถูกหรืออีกอย่างหนึ่งอะถ้าเราคิดพยาบาทวิตกกับอภยาบาตวิตกคิดไปเพื่อจะเบียดเบียนคิดไปเพื่อจะอาฆาตปองร้ายคิดไปเพื่อจะโกรธ คิดไปเพื่อจะเกลียดเนี่ยความรู้สึกอย่างนี้พยายมลองสังเกตดูว่ากับคิดไปในเรื่องของเมตตาเขาเนี่ยอันไหนเป็นกุศลก็เมตตาเป็นกุศลคิดคเมตตาเป็นกุศลในขณะที่ทําเมตตาให้เกิดขึ้นในสังขารในในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหรือเมตตาในในตัวเราเองตลอดถึงเมตตากับผู้อื่นตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญภาวนากุศลทีนี้ภาวนากุศลให้สังเกตดูว่า เกิดต่อเนื่องไหมคาว่าเกิดต่อเนื่องก็หมายความว่าเกิดบ่อยั้มในชีวิตประจำวันแต่ละนาทีแต่ละนาทีเนี่ยมองถึงผู้อื่นเราเมตตาเขาหรือเราโกรธเขาถ้ามองแล้วเมตตาเกิดแสดงว่ากุศลเดิ น, เ, นเพราะคิดไปเพื่อเมตตาเพื่ อ, อ, อรักเพื่อปรารถนาดีอย่างนี้เขาเรียกว่าตั้งจิตถูก หรือถ้าหากว่าเป็นวิหิงสาวิตกคิดไปในการเบียดเบียนปลังแกเขากับการคิดไปเพื่อจะ ก, กรุณาเขาสงสารเขาบางคนบอกอ๊กถ้าถามคุณยงกุโยงก็ต้องตอบได้ว่าคิดเบียดเบียนเขากับคิดกรุณาเขาอันไหนเป็นการเจริญกุศลกรุณาคิดกรุณาคำตอบเราตอบกันถูกแต่ถ้าถามว่าเราจะกรุณาเขาได้อย่างไงเช่นว่า บางคนเนี่ยก็ทําผิดเนี่ยเออเราจะไปกูรุกัลรุณาเขาได้ยังไงยังไม่ใช่บางทีเราก็นึกรังเกียจนะไอ้คนที่ทําผิดทําชั่วทั้งหลายเนี่ยคนทําไม่ดีทั้งหลายเนี่ยวิธีคิดถามว่าเขาต้องทุกข์ไหมถ้าเขาทําบาปเขาทําบาปเขาก็ต้องทุกข์ต้องทรมานถ้าเรารู้กรรมดีเนี่ยหลักกรรมมาดีศึกษาเรื่องกรรมมาดีเนี่ย เห็นคนทําบาปเนี่ยเขาต้องมีอาบายทุคติวิบัตินรกแน่นอนหรือถ้าเขาทําบาปทําอกุศลที่หนักๆแม้ในปัจจุบันพบเนี่ยที่สุดจริงๆเขาก็ต้องได้รับโทษที่จะต้องถูกลงทันต่างๆหรือในที่สุดจริงๆก็ถูกคนอื่นตําหนิติชินนินทานและถ้าหากเราใจไปมองดูในบรรดาคนที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายถ้าเรามองเนี่ย ตื่นขึ้นมาก็ต้องแปรงฟันต้องล้างหน้าต้องอาบน้ำต้องดิ้นลนต้องขวนขวายต้องหาเงินทองแล้วก็เขาจะต้องดิ้นลนในการแบกรับภาระในตในที่สุดจริงๆเขาก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องมีการตายวิบัติพลัดพากและเขาจะต้องเครียดต้องกังวลต้องรับภาระมากมายหน้ากรุณาเหไมวิธีคิดอย่างนี้เราคิดกรุณาเขาเราจะโกรธอะไรเขาเนี่ย ซึ่งเขาก็มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเก็บไข้เป็นธรรมดามีความปุ๊มีความวิบัติพัดภาคเป็นธรรมดาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปทําอะไรเขาเลยใช่หไหมแต่ชาวบ้านก็คิดต้องคิดอย่างนี้เช่นเรากโกรธใครมากเราจะต้องแก้แค้นให้ได้เนี่ยก็ต้องมาตรึกว่า เ, ออเราไม่ทําเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องเป็นไปตามอิทธตามบัจจัยก็เหมือนเรานี่แหละ ที่จริงๆคุณยอมลงมาสังเกตดูดิ ว, ว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาไหมคำว่าเกิดธรรมดาคือยังไงเราง่ายต่อการปฏิสนธิมากสิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่เราจะเป็นมีมากมายในยสิ่งที่เราได้ยินก็คือสิ่งที่เราจะเป็นโดยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแปลว่าเรามันยังไม่รู้จุดติเราคือไม่รู้จะตายเวลาไหนขณะไหนเนาทีไหนเนี่ยความคิดข้างหน้าจะแปลเป็นเปลียดจุดติหรือตายกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ แม้แต่ที่เรานั่งสนทนากันถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาคือมันง่ายมากเพราะตายเมื่อไหร่ก็เกิดนั่นไอ้ความเป็นธรรมดาอย่างนี้เนี่ยมันจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกได้ไหมคุณคุณโยมทังเกตดูว่าจะหายใจฮืดเข้าตายได้ไหมบางทีก็ฮืดตอนออกตายมันอยู่ตรงนี้บางทีก็กระพริบตายังไม่ทันยัง พอลืมตาขึ้นยังไม่ทันหลับตาลงเลยค้างซะและ้วตายซะและ้วเพราะอ้าปากก็ยังไม่ทันหุบ ป, ปากเลยตายซะและ้วเวลาเดินก้าวเท้าซ้ายเนี่ยก็ยังเท้าขวายังไม่ได้ตามไปเลยก็จะตายซะและ้วนหลายคนบอกอไม่จริงแล้วเรายังแข็งแรงคนเล่นฟุตบอลอยู่ดีๆยังตายเลยวิ่งหยอกๆยอกยย ก, ย ก, ย ก, ย ก, ยกเนี่ยล้มแผไปตายก็มีมันตายทุกอิริยาบทแหละมีสี่อิริยาบท บางคนก็กึ่งอีกึ่งกึ่งนั่งกึ่งนอนตายยังมีเลยขนาดนั้นเนี่ยฉะนั้นคูเหยียดก็เงยก็พิบตาอ้ปาปาเนี่ยถ้าเราพิจกากรณาเนี่ยโอ้เรามีความเกิดเป็นธรรมดาและมีความตายเป็นธรรมดาคําว่าธรรมดาคือมันเป็นอย่างนี้เนะ่ยแถามนี้เราจะไปรังเกียจใครเราจะไปมันควรกรัลณากันนะสัตว์โลกเนี่ยมันแปลว่าไงเห็นหน้ากันมันก็ต้องบอกว่าอย่างไง ดูก่อนท่านผู้เป็นเช่นเราคือเกิดเช่นเราแก่เช่นเราเจ็บไข้เช่นเราตายเช่นเราวิบัติพัดพรากเช่นเราคือเห็นหน้ากันก็รู้ว่าเพื่อนคุณยอมคิดอย่างนี้ไหมเพราะเห็นหน้ากันก็บอกว่าพเพื่อนแล้วเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแม้แต่เห็นสัตว์เดรัจฉานคิดเลี่ยงไม่ได้ไหมคิดกรุณาได้ไหมคุณยอมไมาได้ไหมได้ค่ะเห็นไหมก็คิดได้เขาก็เหมือนเราอจริง ใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายวิบัติพัดพลาดเหมือนกันนี่ยมองตาก็รู้ใจกันต้องอย่างนั้นไอ้คำว่ามองตารู้ใจเนี่ยคือเขาเป็นเหมือนเราจริงๆมองตรงไหนก็เหมือนจริงโคงสร้างเขาไม่เหมือนใช่ไหมสุนัขตัวหนึ่งแมวตัวหนึ่งเขาไม่เหมือนเราโครงสร้างแต่ถามว่าเขาเกิดเหมือนเราไหมเขาแก่เหมือนเราไหมเขาเจ็บเหมือนตาเหมือนเราเขาวิบัติพัดพลาดเนี่ยเหมือนเราหมด ตรึกพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเมื่อพิจารณ an าอย่างนี้บ่อยๆแล้วเนี่ยจะทําให้ความเห็นของเรานั้นเนี่ยตรงตามความเป็นจรงิงเมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะทําให้เรานั้นน่ะสามารถที่จะเข้าใจคําสอนได้อย่างถูกต้อง Port เมื่อเข้าใจคําสอนได้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ย ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการทําให้กุศลเจริญขึ้นนะเป็นลักษณะที่นี้ถ้าหากมาคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดไปในเรื่องของการออกจากกามคิดไปในเรื่องของการของเมตตาคิดไปในเรื่องของการการุณาคนอื่นถ้าคิดอย่างนี้กุศลเดินไหมเดินนี้แหละไปตรงกับคําว่าภาวนาที่บอกว่าทำที่ควรเจริญคือให้เกิดขึ้นบ่อยๆ ทำให้เกิดขึ้นครั้งแรกแล้วก็ครั้งหลังๆให้ติดต่อกันเป็นนิดจนถึงเจริญขึ้นเรียกว่าภาวนานี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ในภาวนานั้นน่ะท่านแบ่งเป็นสองอย่างเป็นสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนานี่เป็นอย่างนี้น่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของ สมถะเนี่ยมาจะาคำว่าธรรมที่ทำให้กิเลสมีกามฉันทานิวร์เป็นต้นสงบฉะนั้นทมนั้นชื่อว่าสมถะนี่มันจะลงลึกไปแล้วเช่นยังไงกามฉันทะคือความยินดีพอใจในกรมคุณในรูปเสียงกินลดพยาบาทคือความกโกรธความลำคาญใจทีนามิทะความหดหู่ท้อถอย ยังเคยเป็นบ่อยไหมเป็นค่ะระหว่างความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสความพยาบาทความเครียดต่ออารมณ์ที่มากระทบกับการหดหูท้อถอยเนี่ยสามตัวนี้ใครบ่อยกว่าลืมหมดอันที่สองที่สามนี่จะบ่อยเห็นไหมประการต่อมายังมีอีกนะอุททะจักฟงสร้างฟงฟงสร้างกุกอุจจะานิรำคาญใหญ่ และประการต่อมายังมีวิจิกิจฉาก็าี่เอ๊ะจะทําดีไหมดีเนี่ยเราก็ทําดีมามากแล้วไม่เห็นมันได้ผลดีสักทีเลยอย่าทําเลยเนี่ยลังเลในการทําดีสักทีใช่ไหมที่สุดจริงๆไอ้ส่วนไอ้ส่วนการทําบาปไม่ค่อยลังเลเนี่ยให้สังเกตดูดิแต่จะโกรธใครสักคนจะฆ่ า, คาใครสักคนเนี่ยไม่ลังเลเลยไม่ลังเลเลย ก็บอย่างนี้บางทีเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าคำว่าปาปมิตรเขาแปลว่ามิตรชั่วความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเนี่ยตลอดถึงว่าการมาฉันทะพยาบาทีนะมิตราคุณโยมลองพิจารณาดูที่ว่าเป็นเป็นกาลยานมิตรหรือเป็นปาปมิตรปาปมิตรค่ะเป็นมิตรชั่วมิตรไม่ดีนะ แต่ถ้าถามว่ายอมรู้อย่างนี้นะว่าเป็นปาปะมิตรเป็นมิตรไม่ดีเป็นมิตรชั่วถ้าถามแล้วแล้วคบเขาทำไมอถ้าถูกถามอย่างนี้จะตอบอยังไง <hum> ไม่ใช่ว่า ถ, าถา้าถ้าถูกถามคือถามอย่างนี้จะตอบอยังไงทำไมเรายังคบกับเขาความโลภความโกรธความหลงทีนะ้นมิตรพวกนี้เราบอกว่าเป็นปาปะมิตรที่มิตรไม่ดีแต่ถ้าถามแล้วทาไมาเรายังคบเขา ทำไมจึงจึงอนุญาตให้เขามาเกิดในใจเราเออทำไมเราอนุญาตเขาทำไมเชื้อเชิญเขามาให้มาเกิดเพราะจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยในขณะเนี้ยถ้าถามบอกว่าความโลภโกรธหลงเกิดไหมในขณะเนี้ยเกิดค่ะไม่ในขณะกำลังนั่งคุยกันเนี่ยเกิดไหมอ๋อถ้าฟังธรรมนี่จะไม่ไม่ได้ดไม่เกิดใช่ไหมเอาไม่เกิดแล้วในอนาคตเรายังจะเปิดประตูให้เขามาเกิดอีกไหมถ้าถาม ก็ถ้าเลือกได้ก็ไม่เปิดทีนี้แล้วอะไรล่ะที่ทำให้เราเลือกไม่ได้แก่ไหมอะไรล่ะทาให้เราเลือกไม่ได้ถ้าเรารู้เนี่ยว่าคนคนนี้ไม่ดีอุ้ยรพัฒเลยที่เราศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยมีคนเขาบอกว่าเอาเลยให้ไปคบค้าสมาคมกับคนนั้นเราก็บอกไม่ไปทีนี้กิเลสเนี่ยถ้าเราฟังกันมาแล้วเนี่ยความโลภความเอานี้แค่ความเครียดเนี่ย หลายคนก็รู้ว่าไม่ดีใช่ไหมเป็นมิรชั่วเนี่ยแต่ทำไมเราเปิดประตูให้เขาเข้ามาหรือความหมดถู่ท้อถอยความง่วงความเสื่อมซึมทั้งหลายเนี่ยบางทีเวลาจะสนทนาธรรมะหรือจะคุยธรรมะหรือจะฟังธรรมเนี่ยมันปุ๊บเข้ามาเนี่ยถามว่าใครใครเป็นคนอนุญาตเราใช่ไหมก็แสดงว่าเราพร้อมที่จะครบเมื่อเราครบกับเขาเนี่ย สิ่งที่เขาให้เราคืออะไรอกุศลอบายทุคติวิริบาตนาะกเนี่ยเขาให้วัตตายืนยาวเนี่ยจะต้องมีความเกิดเป็นธรรมดาความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บไข้เป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาความวิบัติพัดพลากเป็นธรรมดานี่แหละผลที่เราครบกับเขาผลที่ทำให้เขามาเกิดแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็วางวางวิบากให้วางผลให้ เขาให้เราอย่างนี้นะถามว่าเรารู้ไหมฟังคําสอนของพระเจ้าเนี่ยรู้อา่าเมื่อฟังคําสอนของพระเจ้าเรารู้แล้วเราพิจารณาแล้วถ้าถึงเวลาอีกเวลาหนึ่งแล้ว เ, เปิดให้เขาเข้ า, ขามาอีกเลยถามว่าเคยถามใจตัวเองไหมว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วต่อไปเคยตั้งจิตคิดระวังไหมว่าต่อไปไม่ให้เข้าแล้วไม่ให้เข้าเลยเคยคิดอย่างนั้นไหมเคยหรือว่า ยังไงก็ได้จะเกิดเมื่อไรก็ได้จะมายังไงก็ได้เราพร้อมที่จะรับหรือจะเกิดยังไงก็็กเราไม่เห็นโทษบ้เป็นเป็นไปได้ไหมว่าเราไม่เห็นโทษคือทราบนะคะแต่ว่าเห็นจริงๆเนี่ยมันก็ยังไม่ปรากฏนี่ยทีนี้เป็นไปได้ไหมว่าเห็นโทษแต่ไม่รู้ว่าเราจะละยังไงเนี่ยบางคนโอยรู้ว่าไม่ดีเหมือนอย่างนี้เราบอกแม้เราไม่ชอบใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ย เขาบอกว่าเลิกคบกับคนนี้ที่เสียเราก็แหมใจก็ไม่ชอบเนี่ยแต่เราจำเป็นต้องคบเหมือเนเลวบางคนใช้อ้างว่าจำเป็นฉันเลยถามว่าอะไรคือเหตุเป็นความจำเป็นเขาบอกว่าจำเป็นก็คือว่าเขายังช่วยตรงนั้นเราได้เขายังสามารถที่จะสร้างความสบายใจบางอย่างให้กับเราได้แสดงว่าเราชอบนั่นเองนี้แสดงให้เห็นชัดว่า เราชอบอย่างนั้นฉะนั้นเหตุปัจจัยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของกุศลเนี่ยในเรื่องของกุศลโดยเฉพาะภาวนากุศลเนี่ยมีการเข้าไปสู่ทางปฏิบัติที่เกี่ยวก้องกับสติเป็นอาการปรากฏคือการเจริญกุศลเนี่ยสติจะเกิดพอสติเกิดสติจะแยกแยะใช่ไหมสติจะเข้าไปแยกแยะโดยลำดับแรกคือต้องการแหละสติจะต้องการ อารมณ์ไม่ใช่การอารมณ์นะการกิเลสที่จะเกิดกับอารมณ์นั้นๆทีนี้ตรงนี้ต่างหากที่จัดโลกทั้งหลายเนี่ยไม่รู้ว่าสตินั้นเราจะอบรมจะบ่มและจะเจริญอย่างไรเช่ไหมใช่ทีนี้พอไม่รู้ก็ไม่พยายามที่จะทําสติให้เกิดขึ้นพอพูดถึงเรื่องสติเนี่หยหลายๆคนโอ้ยรู้รูร มีที่ทำไมจะไม่มีสติถ้าไม่มีสติก็คนบ้าใช่ไหมเพราะสติถ้าในภาษาของหมอเนี่ก็หมายถึงคนบ้าเนียคนไม่มีสติอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมหรือว่าการมีสติอย่างที่เราสอนลูกสอนหลานกันว่าเดินดีๆนะมีสติก็คือว่ามีสติแล้วเดินจะได้ไม่กระชนอะไรไม่ได้ไปสะดุดอะไรหรือว่าศรีรษะไม่ไปโขกอะไรเนี่เราบอกนี่คนอย่างนี้มีสติแล้วแต่ไม่มีใครรู้ ไม่ศึกษาคำสอนของพุทธเจ้าไม่ฟังทำเนี่ยพุทธเจ้าจะบอกว่าสติอย่างที่สติที่จะกันบาปเนี่ยต้องเป็นสตินสีสติพระต้องมีกำลังจริงๆจะต้องเป็นลักษณะที่อะไรไม่หลงลืมไม่เลอะเลือนใช่ไหมบอกไม่หลงลืมต้องไม่หลงรือไม่ไม่เลอะเลือนไม่หลงลืมต้องไม่หลงลืมในอะไรต้องรู้ด้วยไม่หลงลืมก็คือว่านีโลภะนะนี่นี่นีโลภะ นี้โทสนะเนยนี่โทสะนี้โมหนะเนี่ยไม่ใช่ว่าท่องได้หมดเลยใช่ไหมนะ <c oughs> สติความระลึกได้เพางั้นเนะ่ยท่องได้เลยนะสติคือธรรมชาติที่ระลึกได้ในในกุศลธรรมมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นมาเ <c oughs> แล้วก็ระลึกได้อย่างเงี้ยท่องได้แต่โดยโดยเนื้อความอย่างจริ ง, รงโดยการที่ แล้วมันจะเกิดตอนไหนเนี่ยไม่รู้หละอบรมบ่มเจริญสติไม่เป็นเลยเช่นถ้าสติเกิดขึ้นก็จะต้องรู้ว่านี่โลภะโลภะมีควรเสพไหมไม่ควรควรเจริญไหมไม่ควรทีนี้โทสะละควรเสพควรเจริญไหมไม่ควรโมหะควรเสพควรเจริญไหมไม่ควรธีนมิท่าหัวถูท้อถอยควรเสพควรเจริญไหมไม่ควรเนี่ยไหม เราตอบได้เราไม่ควรไม่ควรถ้าถ้าพูดถึงคะแนนเราได้เต็มนะเธอถามเงี้ยใช่ไหมยะถ้าเป็นการให้คะแนนเราตอบรู้หมดเนะี่ยแต่ว่าแล้วทําไมคุณยังโลภอยู่ยังโกรธอยู่ยังหลงอยู่ยังยังเกิดท้อถอยหดหู่อยู่ยังฟุ้งซ่านอยู่ถ้าบอกไม่รู้มันเกิดตอนไหนแวบเดียวมันมาจะแล้วนี่ก็เหตุที่สติเลอะเลือน น, นั่นเองสติเผลอเลย น, นั่นเอง แต่ถ้าบ่มสติอบรมสติแล้วสติไม่ถือทำอย่างนี้ก็จะไปอย่างเช่นความไม่โลภความไม่โกรธหรือปัญญาหรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยควรเสพควรเจริญไหมค ว, ควรถือเอาไหมถ้าอย่างเนี้ก็จะพอกพูนทำเหล่านี้เมื่อพอกพูนทำเหล่านี้มากๆแล้วเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกสตินั้นจะเข้าถึงความตั้งมัน่นเข้าถึงความเป็นใหญ่มันเป็นอย่างนี้เนี่ย ที่พอสติเข้าถึงความตั้งมั่นเข้าถึงความเป็นใหญ่แล้วเกิดขึ้นติดต่อกันบ่อยๆแล้วเนี่ยที่สุดจริงๆสตินั้นก็จะอุปการะปัญญาคือก็จะเป็นปัจจัยให้ปัญญาเกิดขึ้นก็แข็งแรงมากขึ้นก็รู้ทันได้เร็วถ้ารู้บาปมากละแล้วรู้มาก็การปิดโอกาสบาปแล้วก็ละแล้วนี้เป็นต้นเพียรละอยู่ตลอดเวลาวิธีเพียรละเนี่ยบาปที่เคยทาต้องเพียรละไหม ต, ต้องเพียนเพราะอย่าให้มาเกิดอีกเพราะมันเคยเกิดแสดงว่ามันมีปัจจัยนะเช่นอย่างคุณโยมสมมติว่าเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยเครียดมากต้องตั้งจิตแล้วต่อไปจะไม่ให้ความเครียดเข้าสู่กระแสจิตเพราะเคยเกิดแสดงว่าเขามีกำลังแล้วเขาพร้อมที่จะห้วนมาเกิดใหม่ถ้าได้ปัจจัยฉะนั้น มีสติระลึกได้เพียรละเพียรการเพียรละเลยบาปเชนนี้นี่จะไม่ให้เข้าสู่กระแสจิตอีกแต่ไม่ใช่ว่าแม้วันนี้เจอหน้าเดี๋ะบบเครียดมากโกรธมากเลยไหมอย่างคุณโยมสังเกตตัวหลายๆคนนี่ก็เป็นนะนอนไม่หลับสมอเนี่ยพอมาอีกวันหนึ่งนึกว่าจะละบาปอย่างนั้นแล้วบอกไม่ลงแล้ววันนี้นักกว่าเดิมเครียดมากนอนไม่หลับ mm hmm. คุณโยมลองคิดดูว่าถ้าอย่างนี้เขาเพียรละบาปไหม ไม่ได้เพียเพ้ยนเลยแต่เพียนที่จะระบายบาปคือจะทำบาปเพิ่มเนี่ยสมมติว่าเราเอาเรื่องเครียดเนี่ยปกติเครียดอย่างเดียวเป็นมโนทวานยังไม่เกิดทางใจถ้าพูดออกมาเป็นกายทวานกายยวานกายกรรมถ้าหากทาออกมาเดินเอ่ยพูดเอ่ยใช้ไม้ใช้มือเลยเป็น ถ้าพูดออกมาเป็ น, ปนวจีท ว, วารใช่ไหมถ้าทำออกมาเป็นเป็นกายทวารผ่านทางกายทวารสรุปแล้วเป็นกายกรรมวจีกรรมและมนโกมนโกรรมมโนกรรมครบไหมครบับพร้อมที่จะรับผลต่อไปอไอ้ที่ผลที่เห็นเห็นก็คือว่าต่อไปละเขายากจริงๆเขียนชัดเลยเพราะว่าคล้ายๆว่ากอดเขาไว้แน่นแล้วไม่ปล่อยแล้วลักษณะแบบเนี้ยสมมติพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้น ถ้าเรากลายเป็นคนเครียดกังวลอย่างนี้พระพุทธเจ้าโปรดเราได้ไหมไม่ได้โปรดไม่ได้พระองค์จะเดินจากเราไหมจากเดินจากเราพระองค์เดินจากเรานั้นเราควรกรุณาเราหรือกรุณาพระพุทธเจ้าดีกรุณาเราการุณาตัวเองได้แล้วบอกโอ้ยเราเสียหายแล้วเราไม่ต่อยอดไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องเนะเราต้องพัฒนาตัวเราเองขึ้นนะ พัฒนาศีลสมาธิปัญญาฝึกหัดอบรมศีลสมาธิปัญญาของเราให้ดําเนินไปเพื่อพระพุทธเจ้าเห็นและยิ้มใช่ไหมให้พระพุทธเจ้าเห็นและยิ้มหรือว่าบัณฑิตทั้งหลายเขาเห็นเราแล้วฝึกมาดีมากเหมือนพระภาษารีบุตรใช่ไหมอัครส า, าวกขวาเนี่ยอัครส า, าวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือภาษารีบุตรเนี่ย ตอนเป็นอุปติสสะเนี่ยไปหาพระอัสสชิพอพระอัสสชิเทละเห็นแค่นั้นเองพระอัสสชิแล้วเคียงถามปัญหาพระอัสสชินี่พระอัสสชิรู้แล้วว่าท่านพวนี้มีปัญญาพอพระอัสสชิตอบปัญหาเพียงเพียงประโยคนสองประโยคน์แค่นั้นเองภาษารีบุตรเนี่ยก็สามารถที่จะ ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันไดที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านเจริญกุศลอบรมทำกุศลให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแนอดิตก็แปลว่าท่านฝึกฝนตนเองทำศีลสมาธิปัญญาให้ดำเนินไปตลอดเลยชีวิตของท่านนั้นนะ่มีการตั้งสติหรือตั้งจิตไว้ถูก มานานหลายแสนชาติฉะนั้นวลยเรามาเจอบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตไม่หนักใจเลยพูดคำสอนนช่ไหมรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตเจ้ากล่าวถึงเหตุและความดับเหตุของธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้เนี่ยพูดเพียงแค่นี้ก็เพียงพอต่อการจะ ต, ตรัสรู้และได้เป็นพระโสดาบัน ก็แปลว่าคนสอนไม่เหนื่อยเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ในยุคปัจจุบันเราลองมาสังเกตดูพวกเราทั้งหลายหรือว่าอสอนง่ายๆพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆมันหมายความว่าเราไม่ยอมและทำอะไรกันเลยถ้าเป็นลูกในสมัยปัจจุบันก็แม่หนู <c oughs> ไม่หยิบช้อนตักข้าวเองนะ <c oughs> แม่ <c oughs> หนู หนูไม่เคี้ยวด้วยนะแม่หนูไม่อ้าปากนะแต่กิจในการที่จะทำให้หนูอิ่มอิ่มนั้นเป็นกิจของแม่จะต้องทาคนหนักใจมากคนได้ลูกประเภทนี้ <c oughs> แต่ถ้าหากลูกที่เป็นเปี้ยเป็นง่อยก็น่ากรุณนานะที่ควรจะทำให้ขนาดนั้น <c oughs> แต่ขนาดถ้าหากไม่ใช่เป็นเปี้ยเป็นง่อยเนี่ยควรคิดให้ดีควรพิจารณาให้ดีว่าเราทาให บันดิตหรือท่านผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยรับภาระหนักเกินไปในตัวเราหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับโอ้โหต้องตั้งแต่เริ่มตั้งขายท่านเรามันนึกอย่างนี้ทำไมพ่อแม่ยังมีบุญคุณมากก็เพราะว่าพ่อแม่นสอนอบรมมาตั้งแต่อยู่ในท้อง่นี้ประคับประงมมาขนาดนั้นเลยคลอดออกมายังสอนแม้กระทั่งการเดินการพูด การคานการใส่เสื้อผ้าเนี่ยที่บุญคุณของท่านะมีมากคืออย่างนั้นท่านมีอุปการะคุณกับเรามากตรงนี้ธรรมาพิจารณาอย่างนี้ก็คือว่าถ้ามาดูพระพุทธเจ้าท่านอุปการะคุณแก่เราขนาดไหนพระพุทธเจ้ามีอุปการะคุณกับเรามากจริงๆนะรู้ว่าเราทั้งหลายเนี่ยจะต้องตกละกรมลาบาก เพราะชาติทุก์ชร า, าทุกขมราณะทุกขเนี่ยคือพระองค์มองอนาคตเราก็รู้ว่าเราเนี่ยลำบากแน่เราจะต้องถูกประหารตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายอยู่อย่างเงี้ยเราจะต้องไปทรมานในใบยภูมจะต้องไปทรมานในมนุษย์สภูมิเทวภูมิเป็นต้นเนี่ยพระองค์เห็นความลําบากของสัตว์โลกก็เลยบอกคําสอนบอกว่านี้นีจะ พ้นจากความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจต้องเดินทางนี้พระองค์ก็ตรัสแนวทางกล่าวคือศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้สัตว์โลกทั้งหลายเดินตามเพื่อจะพ้นจากกองทุกเนี่ยนะถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วก็อู้บุญคุณของพระเจ้ามากมายจริงๆนะแต่ไม่ใช่เพียงแค่ชื่นชมอย่างเดียวนะ <c oughs> เดินตามด้วย <c oughs> เดินตามด้วย <c oughs> เหมือนกับการชื่นชมพ่อแม่ไม่ใช่เพียงแค่นั้น ต้องตอบแทนด้วยต้องปลดภาระท่านใดด้วยอะไรต่างๆเหื่อนี้เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นภาระทางกายและภาระทางใจไม่ใช่ว่ามีโรคแล้วเพิ่มภาระให้แม่เอาให้แม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงอ่ะมีเยอะเนะี่ยแทนที่จะปลดภาระพ่อแม่กับเพิ่มภาระอย่างนี้ไม่ใช่แล้วหรือว่าทางใจของท่านนะ่ะคุณข้องมองมัวอยู่แล้วเนี่ยคิดก็ไม่ถูกอยู่แล้วเนี่ยน่าจะไปทําให้ท่านคิดถูกทางในทางบุญทางกุศล แต่กลับไปเพิ่มภาระโดยการสร้างความเครียดแม่หนี้ผมมากจริงๆ <c oughs> แม่ช่วยผ่อนหนี้ให้หน่อยดีมีเพิ่มภาระไหม <c oughs> เพิ่มภาระทางกายทางใจไหมเพิ่มค่ะเนี่ยอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกเพิ่มในลูกปัจจุบันนี้ก็ทํากันอย่างนี้บอกไม่เป็นไรยแล้วใช่ไหมพ่อแม่เหนื่อยไว้ที่ตอนนี้ใช่ไหมพ่อแม่ก็เตรียมเตรียมทรัพย์ไว้ให้ลูกเตรียมสิ่งนั้นสิ่งนี้ลูกเตรียมหมดเลยนะเตรียมหมด นี่คื อ, อยังไงคือภาระล้ฉะนั้นถ้าพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เราก็จะเลิ่มเห็นว่ามีการตั้งอยู่ในรมด้วยอํานาจแห่งเหตุที่ถูกที่ควรจนะเป็นเหตุใกล้โยนิสมนสิกาและประทัดฐานานสำคัญมากนะปัจจัยที่จะทำให้กุศลเกิดขึ้นถามว่ามีการใส่ใจที่ถูกถูกทางถูกอุบายถูกวิธีไหมอันนี้เหตุใกล้ของกุศลน ะ, ะถ้าหากว่าเราคิดหรือใส่ใจผิดเนี่ย ไม่มีโยนิสโสมาสิกานเนี่ยกุศลไม่เดินภาวนากุศลไม่เดินเนี่ยบางคนบอกว่าทํำยังไงเนะ้อจะละบาปได้ <Okay. S 1> บอกทุกข์ใจมากกังวลใจมากเครียดมากในชีวิตเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงบอกไม่รู้จะทำยังไงที่จะสามารถทําให้จิตใจนั้นเน่ะโล่งเบาและสบาย เขาก็อยู่กับความเครียดถ้าไม่มีโยนิโสถ้าเขาคิดไม่ถูกทางอถูกทางคือไงไม่ถูกทางในอริยมรรคไม่เข้าทางเนะี่ยไม่เข้าในศีลไม่เข้าในสมาธิไม่เข้าทางปัญญาเนะี่ยถ้าไม่คิดน้อมจิตลงเข้าหาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเสียหายแล้วกุศลไม่เกิดสมมุติว่าเขาต้องการอยากแกเกิดจิตที่เป็นกุศล ต้องการที่จะโลง่งจะเบาจะโปร่งจากความเครียดความกังวลแต่เขาบอกว่าจะต้องจัดการคนนี้ให้ได้คือจะต้องจัดการคนนี้ให้ได้เราจึงจะสบายใจนี่เขาคิดกันอย่างนี้นะคนทุกวันนี้นะสัตว์โลกคิดแบบนี้นะเหมือนสัตว์เดลฉานนะนะีถ้าเครียดกับสัตว์ตัวนี้ตนเองก็จะต้องห้ามหันเขาถ้าไม่มีตัวนี้แล้วตนเองจะได้สบายใจมีเขาเรียกว่าคิดผิดทางคิดแบบนี้ไม่เป็นโยนิโสมนานสิการะ ถ้ายโอนิโสมรณาสการนี่จะต้องคิดเข้าหาทางเพราะการคิดอย่างนั้นเนี่ยเช่นเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นเราคิดอย่างนั้นเน่เบียดเบียนคนอื่นยังไม่เป็นห้ามหันไปทาลายเขาไปรังแกเขาไปเบียดเบียนเขานี่ทำลายคนอื่นในขณะที่ทำลายคนอื่นเป็นบาปไหมเป็นบาปทางกายทางวาจาและทางใจทำไปแล้วเราต้องตกระกรรมลาบากเพราะบาปประรรมนั้นๆ อย่างนี้เขาเรียกว่าคิดผิดทางใจใจผิดหรือบางทีเนี่ยถ้ามองอีกอย่างเนี่ยปัจจุบันนี่ททำกันมากก็คือว่ายามเครียดดูตลกหรือยามเครียดไปเที่ยวเห็น mm. ไห ม, มในเลยไห้ก็กินเหล้าม อ, อยาอย่างเงี้ยเขาคิดกันอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าทำอย่างนี้แล้วสบายใจถ้าบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยในทางพระศาสนาแล้วเนี่ยท่านบอกนั่นคิดผิด ที่คิดผิดก็เพราะว่าจริงๆแล้วน่น้อมจิตไปในการที่ไม่ได้ละอะไรเลยไม่ได้ละโลภะโทสะโมหะที่จริงเป็นเพิ่มไปเพิ่มเนี่ยจากการที่สติสัมปชัญญะดีๆก็ไปทาไปไปทุบประทุสติสัมปชัญญะทำให้กลายเป็นคนหลงมัวเมาทำให้กลายเป็นคนที่ไม่ขาดสติหรือเป็นคนที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเป็นต้น น, นี่เป็นอย่างนี้ ฉะนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะได้เข้าใจตรงนี้เนว่านี้แหละการทำภาวนากุศลให้เกิดขึ้ น, เ, นเป็นสิ่งที่จำเป็นเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการและสำคัญมากนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เช่นเราเห็นสัตว์และสังขารทั้งหลายเนี่ยถ้าเราคิดเราไตรตรองใครควรถูกเนี่ย กุศลก็จะเดินเกิดขึ้นศีล ส, สมาธิปัญญาก็จะเกิดต่อเนื่องหรือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาก็จะเกิดให้สังเกต ด, ดูนะเพืนอนโยมสังเกต ด, ดูว่าบางครั้งเนี่ยเราคิดเข้าหาสิ่งใดแล้วศรัทธาเราลดลงอย่างนี้ผิดหรือถูกเช่นศรัทธาในพระัตนะไตรศรัทธาในการเจริญกุศลเราลดลงนั่นดีเลยเช่นเวลาไปปรึกษาไปคุยกับใครแล้วเนี่ยแทนรี่เราจะได้ศรัทธาเพิ่มขึ้นแต่ศรัทธาหาย ไปปรึกษาไปคุยกับใครแล้วแทนที่จะได้ความเพียรในการละา บ, บาปเพิ่มขึ้นกับความเพียรในการละา บ, บาปเพียรในการเจริญกุศลหายไปปรึกษาไปสนทนากับใครแล้วแทนที่จะทำให้สติความตั้งมั่นความเป็นใหญ่เกิดขึ้นในการจะการบาปการอกุศลแต่หายเกลี้ยงเลยหรือไปปรึกษาไปคุยกับใครแล้วเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สมาธิเราเสียหมดเลยอย่างเงี้ยผิดพลาดแล หรือเว็บสนทนาไปคุยกับใครแล้วเป็นเหตุทําให้ทุบปัญญาคือปัญญาเสียไปเลยไม่มีปัญญาเลยเงนี้อย่างนี้เสียหาย เ, ยเขาตึองบอกต้องเว้นไงนฉะนั้นการคิดหรือให้นึกอย่างเ น, นี้โยนิโสมนสิการอีกอย่างก็คือก็ที่จะเป็นมาตรฐานของกุศลได้ก็คือว่าถามว่าถ้าเราคิดถึงทรัพย์สมบัติคิดถึงทรัพย์สมบัติสักชั่วโมงหนึ่งนี่เครียดไหมเครียดมากเห็นไหมคิดถึงทรัพย์สมบัติชั่วโมงเครียด แต่ถ้าคิดถึงพระเจ้าชั่วโมงหนึ่งไม่เครียดเห็นไหมในการใส่ใจจะเป็นยังงี้คิดถึงโลกชั่วโมงหนึ่งเครียดไหมเครียดคิดถึงสามีคิดถึงภรรยาคิดถึงเพื่อนเครียดเห็นไหมเรารู้อยู่ว่าคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นความคิดเป็นการใส่ใจที่ผิดทางผิดอุบายผิดวิธีต้องน้อมจิตคิดให้ถูกถ้าว่าคิดหาพระเจ้าเราจะได้บุญเนี่ยมากขึ้น คิดครั้งหนึ่งแล้วได้กําไรถ้าพูดถึงในด้านของการค้านี่เป็นการลงทุนที่ได้กําไรมากที่สุดกว่าการลงทุนอะไรในโลกใบนี้ถ้าเราไปลงทุนเนี่ยอย่างดีนในยุคปัจจุบันนี่กําไรก็ได้ไม่ไม่เท่าไหร่ไอ้ที่ได้เกิน5 0านี่ยากแล้วถ้าลงทุนไปแค่เนี้จะได้กําไรเพิ่มมาอีก 50% ก็ยากเนี่ยลงทุนไป10 บ, บาทจะได้มาจะได้มาสิ บ, บาทก็ยาก ลงทุนไปสิบบาทได้มากจะได้สองบาทได้บา ท, บาทหนึ่งก็นับวันดีแล้วแต่ถ้าลงทุนกับพระพุทธเจ้าคิดเข้าหาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยเขาเรียกคํานวณกําไรไม่ไม่ได้เลยไม่สามารถจะคํานวณ น, นับได้เลยผลบุญที่เกิดขึ้นจากการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้หลายๆคนไม่ยอมเชื่อพอไม่เชื่อก็ไม่น้อมจิตที่จะระลึกดูหรือระลึกเข้าหาคุณความดีทั้งหลายเนี่ย ลองระลึกดูดิพอระลึกไปแล้วมันจะทั้งมีสติทั้งมีปัญญาทั้งมีปีติทั้งมีปัจสถานความสงบทั้งมีศรัทธาเพิ่มขึ้นจิตใจจะเกิดความสุขความยือกเย็นความเบาความสบายเนี่ยแต่สัตว์โลกทั้งหลายก็ไม่มีดวงตาที่จะน้อมจิตไปคิดตรงนี้ก็ถึงใช้คําว่าหน้าการุณาทั้งตัวเราและผู้อื่นเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ เวลาสำหรับรายการสนทนาปัญหาธรรมะก็ไล่หลังมาแล้วล่วคะค่ะดิฉันวรรณการผู้ดำเนินรายการขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าพระอาจารย์ประหลัดสมทบประกะโมสวัสดีคะ่ะ